49. ติเาระชานข้ต่าววัตถุว่าด้วยสัติ์เรชานบรรพชานาคแปลงกายเป็นมนุษย์มาขอบรรพชาข้อ 111. สมัยนั้นนาคตัวหนึ่งอึดอัดพระอารังเกียจกำเนิดนาคต่อมานาคนั้นมีความดำริว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอเราจะพึงพ้นจากกำเนิดนาคและพึงได้อัตภาพมนุษย์ฉับพรรณคิดได้ว่า พระสมณเชื้อสายสักกายบุตรเหล่านี้เป็นผู้ประพฤติ ธ, ธรรมประพฤติสงบประพฤติพรหมจรรย์กล่าววาจาสัตย์มีศีลมีกัลยาณธรรมถ้าเราจะพึงบ ร, รัญชาในพวกสมณะเชื้อสายพระสักกายบุตรไสด้วยอาบายอย่างนี้เราก็จะพึงพ้นจากกำเนิดนาคและได้อัตภาพมนุษย์ฉับพลันจึงแปลงกายเป็นชายหนุ่มเข้าไปหาภิกษุทั้งหลายขอบรรพชาภิกษุทั้งหลาย ได้ให้บรรพชาให้อุปสมบทต่อมาพระนาคอาศัยอยู่ในวิหารหลังสุดท้ายกับภิกษุรูปหนึ่งครั้นราตีย่ำรุง่งภิกษุรูปนั้นตื่นขึ้นไปเดินจงกรมอยู่ในที่แจ้งเมื่อเธอออกไปแล้วพระนาค ก, ก็วางใจก้าวลงสู่ความหลับวิหารทั้งหลังเต็มด้วยงูขนดยื่นออกทางหน้าตา่าง ภิกษุนั้นผลักบานประตูจะเข้าวิหารได้เห็นวิหารทั้งหลังเต็มด้วยงูขนดยื่นออกทางหน้าต่างก็ตกตะลึงร้องเสียงดังพิกษุทั้งหลายวิ่งเข้าไปถาถามภิกษุนั้นว่าอาวโุโสท่านร้องเสียงดังทาไมภิกษุนั้นบอกว่าท่านทั้งหลายวิหารทั้งหลังเต็มด้วยงูขนดยื่นออกทางหน้าต่างทันใดนั้นพระนาคได้ตื่นขึ้นเพราะเสียงนั้น รีบนั่งบนอาสนะของตนภิกษุทั้งหลายถามว่าอาวุโสท่านเป็นใครพระนาคกอบว่าผมเป็นนาคขอรับภิกษุทั้งหลายถามว่าอาวุโสท่านได้ทําเช่นนี้เพื่ออะไรพระนาคได้บอกเรื่องนั้นภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสง์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุได้ตรัสกับพระนาคนั้นว่าพวกเจ้าเป็นนาค ไม่มีความงอกงามในพระธรรมวินัยนี้ไปเถิดนาคเจ้าจงเข้าจําอุโบสถในดิทีที่14ดิทีที่15และดิทีที่8แห่งปักนั้นและด้วยอุบายอย่างนี้เจ้าจกพ้นจากกําเนิดนาคและได้อัตภาพมนุษย์ฉับพลันนาคนั้นได้ทราบว่าตนไม่มีความงอกงามในพระธรรมวินัยนี้แน่นอนก็มีทุกข์เสียใจ หลังน้ำตาส่งเสียงดังหลีกไปลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเหตุที่ทาให้นาคปรากฏร่างเป็นนาคมีสองประการเหล่านี้คือวงเล็บหนึ่งเวลาที่เสพเมทุนธรรมกับนางนาคมีชาติเสมอกันวงเล็บสองเวลาที่วางใจก้าวลงสู่ความหลับ ภิกษุทั้งหลายเหตุที่ทำให้หน้าปรากฏร่างเป็นหนา้ามีสองประการเหล่านี้ภิกษุทั้งหลายอนุปสัมบันผู้เป็นสัตว์รัชานไม่พึงให้อุปสมบทที่อุปสมบทแล้วพึงให้ศึกเสียวงเล็บสี่